พระธรรมเทศนาแผ่นที่63าลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สามมิถุนายน2557มีชื่อเรื่องว่าความสมคีนี่แหละคือมงคลตอนสีห้าโมงเย็นนะ หลวงพ่อจะรับพวกในครัวมาจากหาดใหญ่สงขลากับเมืองเพชรไปบ้านสวนนะไปดูบ้านสวนเพราะว่าหลวงพ่อทําบ้านสวนขึ้นมาให้ฝ่ายอุบาสิกาอยู่ฝ่ายอุบาสิกาน่าจะไปอยู่ที่นั่นต่อไปภายภาคหน้านะก็คงจะสร้าง ที่พักพาอาศัยแต่ตอนนี้ก็มีเป็นที่พักพาอาศัยก็ขั้นสมบูรณ์ในระดับหนึ่งต่อไปภายภาคหน้าคิดว่าจะให้สมบูรณ์มากกว่านั้นให้พวกเราฝ่ายอุบาสิกาที่จะมาปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมที่บ้านสวนได้ห่างจากที่นี่ประมาณ เจ็ดกิโลหกกิโลกว่าเกือบเจ็ดกิโลชีป้อมเป็นหัวหน้าสำหรับเป็นฝ่ายอุบาสิกาเป็นเอกเทศเนื้อที่จัง 47-48 ไร่หลวงพ่อดูแล้วก็เหมาะนะเป็นสถานที่เหมาะสำหรับอุบาสิกายมฝ่ายผู้หญิง ความปลอดภัยมีไหมมีไม่มีปัญหาว่าคนในละแวกนี้ก็ไม่มีไม่ใช่คนดุร้ายเป็นคนที่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมดีอยู่ไม่มีปัญหาความปลอดภัยแต่ที่ยังไงทุกแห่งหนน้นะ่ะจะไปไว้ใจทางวางใจคนก็ไม่ได้เราเองต้องระมัดระวัง การจับใจไซสอยอะไรอะไรนะี่จะให้บาดหูบาดตาขวางตาขวางใจของมนุษย์นะไม่ว่าลิงไม่ว่าหมานะถ้าเราไปเอากล้วยไปลอ่อมันมันเกิดลิงมันก็จะกัดคนอ่หมาก็เหมือนกันอนะ่ะถ้ามันหิวเราเอาข้าวให้มันเห็นน่ล่อให้มันเห็นมันก็จะกัดคนอีกเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะมนุษย์ ที่มีความอยากหิวโหยเราก็ต้องระมัดระวังสมบัติของเราสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ให้ฟังให้ศึกษาให้เรียนรู้การอยู่กับมวลมนุษยชาติไม่ใช่ว่าใส่ทองเส้นเบลเอปล่าอวดหน้าอวดหลังมีเงินมีทองจับใจฟุ่มเฟือยอวดหน้าอวดหลังอกีก ไม่นานน่ะปัญหาเกิดขึ้นแน่เพราะเหตุไรเพราะว่าเราไม่รู้จักกาลเทศะการสถานที่บุคคลสิ่งเหล่านี้เราไปอยู่ณสถานที่ใดเราต้องอ่านให้ออกขนาดไปอยู่กับปลิงลิงเห็นกล้วยมันก็จะจะมา ก, กัดเราลุมกัดเราก็ต้องทิ้งให้มันแต่ไม่มีกล้วยไม่มีอะไรเลย จะไปไหนก็ได้แต่กลัวอยู่ในมือระวังนี่แหละอันนี้ขนาดสัตว์ดิฉันเราก็ยังได้ศึกษาเรียนรู้เป็นหมาก็เหมือนกันมันอยู่ข้างๆเราถ้าเราเห็นมีอะไรถ้ามันหลายตัวก็ระวังกันแล้วกันอันตรายเองมนษุษย์ยิ่งกว่านั้นยิ่งแยบยลกว่านั้นอีก ต้องระมัดระวังไปอยู่นัสถานที่ใดอันนี้เป็นความคิดของหลวงตานะหลวงตามหาบัวหลวงพ่อไปศึกษาโอ้ท่านละเอียดถี่ถ้วนมากในสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นในวัดของท่านยึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่มีปัญหาเพราะนั้นให้พวกเรานะลูกหลานคณะสัตย า, ญญาจโจมไปอยู่นสถานที่ใดให้รู้จักเขารู้จักเรา าระเทศะอย่างที่พูดนั่นแหะวันนี้เป็นวันที่สามมิถุนายนพุทธศักราช2557เมื่อวานหลวงพ่อได้ส่งพระเข้าไปร่วมประชุมที่สารากลางจังหวัดอุดรธานีเวลาบ่ายโมงครึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานรองผู้ว่าแล้วก็อดีตท่านผู้ว่าแล้วก็คณะสิทธิอนุสิ์ขององค์หลวงตามากหน้าหลายตาตลอดถึงพี่น้องประชาชนสิทธิอนุสิ์ฝ่ายฆราวาสที่อยากจะเห็นเจดีพิพิธภัณฑ์ขององหลวงตาสร้างขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยไปประชุมกันก็ งานนันคล้ายๆว่าประชุมกันหลายครั้งแล้วล่ะแต่คราวนี้เป็นครั้งที่เรียงลำดับความเป็นมาและความเป็นไปถึงหลวงพ่อไม่ได้ไปเมื่อวานหลวงพ่อติดธุรภาระแต่ทิงยังไงหลวงพ่อก็มอบให้แล้วว่าเรื่องเจดีย์หลวงตาจะสร้างที่ไหนหลวงพ่อไม่ขัดข้องทั้งนั้นแต่อย่าไปสร้างตรงที่ความขัดแย้ง ถ้าขัดแย้งอยู่ตรงไหนอย่าไปสร้างถ้าสร้างขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเดินขบวนกอ็อบขึ้นมาเรื่องจะยุ่งเหยิงวุ่นวายเพราะไปสร้างตรงที่ความขัดแยง้งถ้าหากว่าสร้างตรงที่ความพร้อมเพียงสามัคคีทุกหมู่เหล่าจะสร้างที่ไหนเป็นมงคลมหามงคลทั้งหมดจะไปสร้างบนบกบนยอดเขา ก็คือสร้างพระเจดีย์บูชาพระอรหันต์เป็นมงคลทั้งหมดพอลงตาเป็นพระอรหันต์ในสายตาของสิทธิานุสิท์ทั้งหลายแต่ถ้าว่าไปสร้างตรงที่ความขัดแย้งนะ่ไม่เป็นมงคลตาไปสร้างตรงที่ความพร้อมเพียงสามัคคีในคณะสิทธิ์ทั้งหลายเห็นพ้องต้องกันนั่นและเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิง่งอันนี้คือหลวงพอ่อ มอบให้กับคณะสิทธิ์แต่หลวงพ่อไม่ร่วมทะเลาะกับใครพอหลวงพ่ออายุมากแล้วปีที่เจปีแล้วจะสร้างเจดีย์หลวงตาเสร็จหรือไม่เสร็จก็ยังไม่ทราบหลวงพ่ออาจจะทิ้งร่างกายของหลวงพอ่อเผาไฟทิ้งเพราะนั้นหลวงพ่อจึงไม่ตรงไหนที่ความพร้อมเพียงสมัคี หลวงพ่อเห็นด้วยทั้งนั้นอันนี้ก็คือหลวงพ่อก็เลยมอบให้พระสามรูปไปฟังแนวความคิดของพระสงฆ์ศรัท ธ, ธาญาติโยมเมื่อวานกลับมาแล้วก็หลวงพ่อก็ถามไทยแนวความคิดเห็นหพระก็สีแจงให้ ฟ, ฟังฟังฟังดูแล้วก็ก็ได้ในระดับหนึ่งก็ดีดีกว่าไม่พูดกันเสียเลย แต่จะต้องพูดกันอกีกยาวพอสมควรนี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อลวงพ่อตายไปก็ดีคิดจะทําอะไรขึ้นมานะอย่าไปทะเลาะกันเพราะพวกท่านทั้งหลายไม่อยู่เป็นร้อยปีพันปีจะอยู่นานเท่าไหร่ทําไมจึงหาเรื่องมาทะเลาะกันให้บาดหมาง ขัดข้องหมองใจเผลอเผลอตายไปแล้วไปตกนระกอีกต่างหากเพราะใจเศร้าหมองเพราะมีแต่อารมณ์โกรธโมโหโกทาทั้งที่จะไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าเพราะรื้วยจิตศรัทธาทำอะไรให้เกิดประโยชน์บูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆ บ, บูชาเป็นกิจการบูชาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ทำคุณงามความดีเพื่ออุทิศตนเพื่อบูชาต่อสิ่งที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสเมื่อทําไปแล้วเสร็จไปแล้วใจของเราก็เบิกบานจิตใจของเราก็มีแต่ความสุขอันนี้ก็คือเป็นอมิตร h บูชาน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะขัดข้องมองใจตรงนั้นตรงนี้ทะเลาะกันเหมือนกับเด็กอมนิ้ว ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นจะตุปปัจจัยจัตตารายาตโยมเขาก็ถวายเมื่อวานฟังๆดูแล้วก็ทั้งหมดได้ทั้งส0 0 363ล้านเมื่อวานนี่นะปัจจัยที่รวบรวมไว้เพื่อจะสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์ก็เพียงพอที่จะลงได้แต่ลงไม่ได้ก็เพราะว่าจุดสถานที่ท่านเองไม่ลงเอ่อยกันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น ถ้าเป็นอย่างหลวงพ่อพูดหลวงพ่อปรไว้อย่าไปสร้างตรงที่ความขัดแยง้งตรงสร้างตรงที่ความพร้อมเพียงสามัคคีเป็นสิริเป็นมงคลอันนี้ก็ฟั ง, ฟ, งฟังเอาไว้นะพวกเราท่านทั้งหลายไปอยู่ในสถานที่ใดถึงจะอยู่ในครอบครัวก็เถอะใครผิดใครถูกจะไม่รู้กันเหรอพ่อบ้านผิดหรือแม่บ้านผิดลูกผิดหรือใครผิดถ้ามันผิดก็ว่าตามผิดก็ต้องยอมรับว่ามันผิด ถ้ามันถูกก็ยอมรับอย่าไปเถียงเขาแตเมื่อตัวเองผิดแล้วนี่แหละถ้าเป็นอย่างนั้นได้คือแปลว่าเป็นผู้ยอมรับในหลักเหตุผลไปอยู่นสถานที่ใดถูกเหมาะสมเป็นธรรมถูกต้องสบายใจกันทนหนาถ้าหาว่าไปอยู่ที่ไหนนนี่มีแต่กลางมีแต่ว่าตัวเองถูกอยู่ตลอดไปอยู่กับหมากับผิดหมา ไปอยู่กับผีกับผิดผีต้องไปอยู่กับมนุษย์ละ่ะถ้าเป็นมนุษย์อันธพานด้วยกันแล้วก็นั่นละ่ะข้าวฟันหันแหลกกันเลยจะเนี่ยถ้าไปอยู่กับบัณฑิตนักปราชญ์กับขวางตามบัณฑิตนักปราชญ์เ hey, ฮทําไมคนคนนี้ทาไมเอาดันทุกลังเป็นภาระชนจริงๆเนี่ยเป็นคนบาปหยาบช้าจริงจริงไม่ยอมฟังหลักเหตุผลหลักเหตุผลมันอยู่ตรงไหนทาไมไม่ฟัง น, น่าจะฟังรอบๆด้านไม่ใช่ว่าใช่มันเหรียญมันก็มีหลายหน้านอันนี้ก็เหมือนกันนะความคิดความอ่านก็ต้องมีหลายแนวอันไหนที่เหมาะสมอันไหนไม่เหมาะสมอันไหนควรจะหย้อนย้อนกันเพื่อมาให้มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมันก็หย้อนกันได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากให้พวกเราท่านทั้งหลายได้คิดนะแล้วก็พร้อมการเรื่องศีลธรรมจริยธรรมอันนั้นเป็น เรื่องส่วนตัวเรื่องภาคปฏิบัติจิตภาวนาอันนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอันนั้นคือเอาบุญกุศลเหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่เข้าสู่จิตใจของเราไม่มีใครที่จะทำให้เราได้นอกจากตัวของเราเหมือนกับเราทานอาหารคนอื่นทานแทนก็ไม่ได้ตัวเองต้องทานเอง ออกกาลังกายก็เหมือนกันคนอื่นจะออกกําลังกายแทนเราก็ไม่ได้เราต้องออกเองเรียนหนังสือก็เหมือนกันถ้าคนอื่นเรียนแทนเราก็ไม่ได้เราต้องเรียนเองคือบางสิ่งบางอย่างคนอื่นแทนได้แต่บางสิ่งบางอย่างคนอื่นแทนไม่ได้เรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมก็เหมือนกันคนอื่นทําแทนเราไม่ได้เราต้องทําเองต้องหายใจเองต้องภาวนาเอง ต้องคิดเองต้องชำระใจเองต้องทำสมาธิให้กับตนเองสมาธิก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องฝึกให้มีสติสัมปชัญญ ะ, ะเรามาที่นี่มาอยู่ที่นี่มาอยู่เพื่ออะไรให้ถามตนเองอเรามาอยู่เพื่อสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาไปอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเรามาอยู่เพื่อภาวนาหาทางพ้นทุกข์พอเราเห็น โลกวัะสงสารเกิดแก่เจ็บตายเห็นต่อหน้าตำตาของเราจะตลอดเราจะพูดเราจะไม่พูดแต่เห็นรู้กันอยู่เพราะนั้นเรามาอยู่ในจุดนี้มุมนี้คราวนี้ครั้งนี้อยู่ในวัดนี้เรามาเพื่ออะไรมาภาวนาภาวนาเพื่ออะไรตามแนวแถวของพระพุทธเจ้า ตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้นํำทำคําสอนของพระพุทธเจา้ามาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนพวกเราให้นั่งสมาธินะให้มีสมาธิในใจนะกําหนดลมหายใจเข้าออกนะอย่าให้เผลอนะให้มีสติอยู่กับตนเองตลอดได้ยิ่งดีให้บังคับนะอย่าไปตามใจตัวเองนะตามใจตัวเองมันตามใจมาม า, มากโตมากแล้วมันได้อะไร แต่บัดนี้ต้องมาบังคับนะบังคับใจให้ตัวเองให้อยู่กับสติสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าทําได้อย่างนี้นั่นแหะต่อไปใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบตามระดับขั้นตอนหรือตามระดับขั้นของสมาธิ นึืว่าจิตใจของเราเป็นสมาธิดีแล้วนั่นนะอยู่นสถานที่ใดคล้ายๆกับพออยู่พอกินพอเป็นพอไปทนีไ ม, ไม่เดือดไ ม, อไม่ร้อนไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระใาเพราะเหตุายเ <c oughs> พราะว่าใจของเราอยู่ในระดับของสมาธิสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายฝึกนะให้ใหฝึกตัวเอฝึกใจแต่อยู่ตามลำพังนั่นะนะอย่าไปพูดอย่าไปคุยอย่าไป คบค้าสมาคมจะไปส่งจิตออกไปข้างนอกข้างนอกเราเคยอยู่มาพอแรงแล้วอยู่กับบ้านกับเรือนกับลูกกับร้านยาติโกโหติกาหมูพวกเพื่อนสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาผ่านผ่านมามันได้อะไรไงให้พวกเรานึกย้อนดูบวกลบคูณหารดูที่ผ่านผ่านมาถ้ามันได้แล้วจะมาทำไมมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่เรามากับมาขุดทองฮะ ขุดทองก็คือขุดหาคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของพวกเรานะี่ยพวกเราเมื่อสแสวงหาคุณงามความดีหาอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐถ้าพวกเราหาข้างนอกเนะี่ยหาโลกกิยทรัพย์ทรัพย์ที่ใช้อยู่ในโลกอ่ามันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนโลกุตรัทรัพย์ก็คือทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์ที่เที่ยงแท้แน่นอนเมือ่อเราหาทองคําลักษณะอย่างนั้น ทองคํานี่ยทานได้มาแล้วเนี่ยเอาไปทิ้งเอาไปเผาไฟยังไงก็เป็นทองคําอยู่เอาน้ำกรดสาดก็ไม่ละลายถ้าเป็นทองปลอมหรือโลหะอย่างอื่น เ, นเอาน้ำกรดกัดเข้าไปเยกระจุยกระจายไปหมดแต่ทองคํเนี่ยเป็นของแท้เนีนะ่เรามาหาอริยทรัพย์มาหาของแท้เราจะหายัางไงหาของแท้ต้องศึกษา ศึกษาตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนจะทำยังไงมีวิธีการก็แล้วกันถ้าเราศึกษานะถ้าเราไม่ศึกษาเนะเข้ามากันเดินด้วยดย้วยเดย้ๆคิดไปนู่นคิดไปนี่ส่งจิตไปนั่นส่งจิตไปนี่แล้วก็มาทวงผลขามาอยู่วัดก็ไม่เห็นได้อะไรจะได้อะไรเพราะตัวเองไม่ได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงจังถ้าปฏิบัติจริงปฏิบัติจังแล้วก็ เราจะรู้จริงเห็นจริงอันนี้ก็วันนี้ให้แนวความคิดสำหรับพวกเราทันทั้งหลายแนวหนึ่งอาต่อนี้ไปรับพ่อนนะทนีนะอนุโมทนาให้พร